ب ิ سمILLAH ิ ر و ه م ا ه ر ح ي م الحمد لله ربنا نا مين و به نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮได้โปรดประสบเดียวพี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาตัปซิดในวันนี้ทุกท่านวันนี้นะครับอยู่ในช ah ัยูซุฟกายจะจบแล้วน่าจะไม่จบอีกสักสองครั้งน่าจะจบเนื้อหานี่มาถึงตอนท้ายแลวพี่น้อง หลังจากที่บินญยมีนถูกท่านอบิยูซุปเนี่ยกักตัวไว้กักตัวในมาเดะคุงข้างนะเก็บไว้กับตัวนะครับแล้วพี่น้องที่เหลือเนี่ยก็กลับมาท่านอับิยะกุพี่น้องนบิยูซุปผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับไปอีบเนี่ยไปสองครัง้งครั้งแรกไปสิบคนกลับสิบคน อ่าแต่ครั้งแรกนบิยูซุปตั้งเงินไขไว้อันนี้ยังไม่ทราบนาะว่าเป็นนบิยูซุปตั้งเงินไขไว้ถ้าครั้งหน้าไม่พาน้องมาด้วยเนี่ยข้าวไม่ได้สเสบียงตั้งเงินไขไว้ครั้งที่สองก็เลยไปใหม่สิบเอ็ดคนแต่กลับมาเก้าคนนะครับกลับมาไม่ครบครั้งแรกไปสิบกลับสิบแต่นบิยูซุปบอกว่าถ้าวันหลังพี่น้องทั้งหมดไม่มาไม่ได้สเสบียง ครั้นที่สองไปสิบเอ็ดเอาบินเยมีนไปด้วยแต่กลับมาเก้าคนหายไปสองหนึ่งก็คือบินญามีนน ล, ลียิุซุเก็บไว้กับตัวแก้งบอกว่าบินเามีนขโมยของสองอีกคนที่หายไปคือโรบินโรบินก็คือเป็นพี่ชายคนโตรู้สึกผิดไม่สามารถนำน้องกลับไปหาพ่อได้ตามที่สัญญาไว้เพราะก่อนที่จะนำบินญามีนมาเนี่ย สัญญาสาบานกันเป็นมั่นเป็นเหมาะยังไงกันแล้วแต่จะพาบิญจามินมาแต่วันนี้บิญจามินออกจากอีบไม่ได้ทุกท่านตัวียูซุปเก็บตัวไว้นะซึ่งบิญจามินกับียูซุปเนี่ยทราบรู้กันว่าเป็นพี่น้องคิดถึงกันโรวินรู้สึกผิดมากไม่กลับมาตามได้ที่บิญจามินยังออกจากอีบไม่ได้ฉันก็จะไปไปไหนครั้งที่สองไปไปสิบเอ็ดกลับมากลับมาเก้าคน นบียากูปเนี่ยตอนแรกที่เสียใจในชีวิตตัวเองสูญเสียลูกไปพี่น้องสามคนยูซุฟหายไปตอนเด็กเสียใจไม่หายนะครับต่อมาบินยามินหายไปอีกไปมาไอพี่คนโตหายไปอีกความรู้สึกของคนเป็นพ่อพี่น้องเสียใจนะ พออ่านประวัติอับิยูซุปเนี่ยผมนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยจะมีเครื่องมู ล, ลนิธิกระจกเงาพี่น้องเคยได้ยินไหมมู ล, ลนิธินี้เนี่ยจะตามหาเด็กหายจะคอยประกาศเช่นเด็กบางคนถูกลักพาตัวถูกจับไปคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยมีความเสียใจก็มีการประกาศหาตัวกันนะ เคยมีออกรายการคนหนึ่งเนี่ยลูกหายไปแล้วครอบครัวทั้งหมดพ่อแม่ทั้งหมดเนี่ยทำไมละ่ะตามหาลูกทั่วประเทศเลยย้ายไปที่หนึ่งสืบข่าวแล้วก็ไปทำาะไรที่หนึ่งไปก็เป็นครอบครัวหลายปียังไม่เจอลูกแต่ว่าเจอลงเท้าแตะลูกข้างหนึ่งคนเป็นพ่อมีความหวังเดินหน้าตามหาลูกต่อไปตอนนี้ยังไม่ทราบเจอยังไม่เจอนะแต่เคยออกออกรายการออกมาช่องสาจำไม่ผิด นะครับที่จะพูดต้องการชีร้เห็นความรู้สึกของท่านนบีย่กูบอะเลฮิสลามพี่น้องลูกหายเนี่ยใครไปเจอกับตัวไม่ทราบแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนบีย่กูบลูกหายไปยี่สบสสปีหายแต่แต่ตอนเด็กแต่ว่าทําไมเอ่ยแต่ในใจมีความหวังบอกว่าอาลัลลอฮ์หวังว่าอาลัลลอฮ์จะนําลูกของฉันทั้งหมดเลยเนี่ยกลับมาหาฉัน ไม่ใช่แค่ยูซุป บ, ญญบินยามีนโาบินแล้วก็ขอบครัที่เหลือทั้งหมดหวังว่าจะกลับมาหาฉันนี่คือการไม่หมดหวังของท่านนายาคุบอะลัยฮิสลามนะครับในอาย 96, อาเก้าบอัลลอ์ตอบแทนท่านนยคุบอะลัยฮิสาลามนาข่าวดีมาแจ้งในอายาที่อัลลาอถ์ตรัสด้วยว่าโอริชตอนนี้ ฟลัล ม, มาอันยาอันบาชิรและเมื่อบาชิรบัาชีแปลว่าผู้นำข่าวดีได้ได้มาถึงมาถึงกองคาราวานชุดชุดลูกตัวเองนี่แหละที่ไปหานาบีไปไปอียิปเพื่อไปขอสบิงแล้วกลับมากลับมาคราวนี้เนี่ยมีข่าวดีกลับมาด้วยก็อ่านใบอกว่านี่คือบาชิร เป็นผู้ที่แจ้งข่าวดีไอ้คนที่มายังไม่ทราบเลยว่านำข่าวดีมาให้พ่อข่าวดีที่หลังจากคิดถึงลูกมานานยี่สิบสามสิบปีอัลกอฮุอัลเวัจฮิฮนำเสื้อเนี่ยมาให้พ่อฟารตัดบาซีรแล้วตาของทำไมเอย่ย ตาของน บ, บียกรุบ ก, กลับกลับมามองชัดอีกครั้งหนึ่งน บ, บียกรุบเนี่ยนะครับในกูอ่นานบอกว่าตาจะเป็นสีขาวยับดอดแปลว่ายับดอดแปลว่ า, ว า, วาอะไรละ่ะตาเป็นสีขาวขุ่นมัวบางคนบอกว่าบอดบางคนบอกไม่บอดแต่ว่ามองไม่ชัดปัจจุบัน บางคนบอกเป็นต่อกันจบ ก, กันแล้วแต่มองไม่ชัดนะครับนักทฤษฎีอธิบายว่าเกิดขึ้นจากความเสียใจร้องไห้เวลาอยู่กับลูกเนี่ยเป็นพ่อแต่เวลาแยกออกมาส่วนตัวเวลาส่วนตัวอยู่คนเดียวเสียใจร้องไห้คิดถึงลูกจนกระทั่งว่าส่งผลกระทบต่อดวงตาตาขาวมันด้แปลว่าขี้ขาดนะตาขาวในคะวามจริงยากุ๊คือ ความเสียใจมันทําร้ายดวงตาแต่วันนี้เสื้อของทําไมละ่ะพอท่านนาบียูซุปเนี่ยนะครับกลับมาเนี่ยพอท่านนาบียะกุบได้กินลูกตัวเองกินนบียูซุปทําไมเอ่ยฟักตัดดัดบัซีรอตาที่เสียไปเสื่อมไปกลับมามองเห็นชัดอีกครั้งหนึ่งกลับมามองเห็นชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้คือการให้เกียรติอัลลอฮประทานให้ให้เกียรติทัท่านนาบียักูบแล้วก็ให้เกียรติท่านนาบียูซุฟด้วยให้ตากลับพืนสภาพดีอีกครั้งหนึ่งก็ล้นบียักูบกล่าวว่าอลัมอะกุลละกุมฉันเคยบอกพวกท่านแล้วใช่ไหมอินนีอะละมูมินอัลลอฮมาลาตะละมูนฉันทราบในสิ่งที่ท่านพวกท่านไม่ทราบ บอกก็รู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยสิ่งต่างๆที่นบียกรูปทราบเนี่ยทราบมาจาอัลลอฮ์นะมีนอัลลอฮ์นะครับทราบในสิ่งที่โบท่านไม่ทราบถ้ากลับมาอ่านพี่น้องเวลาที่นบีอยู่ซุบครั้งแรกเวลาอ่านเนี่ยเรื่องราวมาไตข้างหน้าเจออะไรใหม่ๆเต็มไม่หมดเลยแล้วก็เวลาศึกษาจบกลับไปย้อนดูวยวิธีหนึ่งจะเห็นอะไรหลายอย่าง นบียากููเป็นคน ท, ที่ทราบอะไรดีที่สุดทราบว่าพี่น้องหลอกเอายูซุปไปทิ้งทราบว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แล้ววันหนึ่งจะกลับหาตัวเองอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดครบครอบครัวเพราะทราบตรงนั้นยาเกนมอบหมายต่ออัลลอ์ไม่เคยละทิ้งความหวังและขอดุดอาต่ออัลลอ์แม้กระทั่งวันนี้เนี่ย นบียะกุปอยู่ที่บ้านแต่เป็นคนทราบคนแรกเลยว่ายูซุปยังอยู่ไอ้เก้าคนสิบคนนี่นะไปอีบสองรอบแล้วไปเจอนบียูซุปไปคุยนบียูซุปไปเถียงไปเจอกันแต่ทราบหลังนบียะกุปนบียะกุปอยู่บ้านนะตาก็ไม่ดีแต่ทราบก่อนคนพวกนี้อีกทราบว่าครั้งนี้ข่าวดีมาแล้วพวกลูกบอกอา๋อพ่อ เหมือนคนแก่แล้วคือประมาณหลงเสียลูกไปกะหลงอยู่ยงั้นแหละเขาบอกว่าเป็นดอลาลาร์ลินกอนดีมพ่อดันหลงอยู่กับความคิดถึงยูซุปจนกระทั่งมาเป็นแบบนี้นบียะกูบอกฉันทราบในสิ่งที่พรท่านไม่ทราบอร่อยฉันทราบตอนนี้ข่าวดีมาแล้วนะครับแล้วก็ทราบว่ายูซุปยังอยู่อ่า ในยันต์ที่๙7ครับกอรูพวกพี่น้องก็กล่าวว่ายาอานาโอ้พ่อของเรานาอิสตักฟิรดานาได้โปรดขออภัยโทษให้กับเราดุนูบานาบาปต่างๆของเราอินนากุนนาคอติอินเราเคยทำผิดไปแล้ว เคยเป็นผู้ที่ผิดพลาดไปแล้วข อ, อนาิยากรุงอะลิสลามทำไมเอ่ยขอไพร ย, ยโทษในบาปต่างๆให้พี่น้องก็มีการสํานึกแล้วก็เตาบัตรตัวพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เนื้อเรื่องของท่านนายยูซุฟอะลิสลาม์นำเสนอเนี่ยนำเสนอเขาเรียกว่า ลักษณะที่เด่นที่สุดคือความสัมพันธ์ในครอบครัวสำคัญมากพี่น้องนะสุดท้ายเดี๋ยจะพี่น้องอ่านจบจะทราบว่าปัญหาในครอบครัวพี่ๆน้องๆจะพาะจะแม่อะไรกันแล้วแต่แก้ได้โดยการให้อภัยนบียูซุปทำตัวอย่างให้เห็นถ้านบียูซุปแค้นนพีน้นอง แก่เก้าคนทําฉันเนี่ยตอนเด็กสิบคนไม่ได้เก้าคนสิบคนทําฉันตอนเด็กๆตอนนี้ฉันมีอํานาจในอียิปต์แล้วพวกแกก็มาพึ่งฉันมาขอสะเบียงเราฉันก็มีคนเต็มไปหมดถ้าจะแก้แค้นก็ได้นะครับแต่ว่านายบิยูซุปให้อภัยตอนจบจะทราบว่านายบิยูซุปให้อภัยสิ่อต้นรราทำการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเคยญาติพี่น้อง ต้องเริ่มจากการให้อภัยทำไมให้อภัยกันทำไมเอ่ยขาดคนอื่นเนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าห่างกันไม่ค่อยกระทบกรนท่างกันแต่กับพี่กับน้องกับเคยญาติเนี่ยมันใกล้กันมันใกล้ชิดกันมันได้ยินนะเวลาใครทะเลาะกันอะไรกันอยู่ในระแวกเดียวกันฉะนั้นมีความบาดหมานเกิดขึ้น มีความอิจฉากันเกิดขึ้นในหมู่พี่น้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่กแก้ได้โดยการโดยการให้อภัยดูตัวอย่างท่านนยบยูซุปอะเลสลาบประเด็นที่2นะครับเนื้อหาในสุ ร, รยูซุปแสดงความเป็นมนุษย์ความเป็นจริงของมนุษย์ก็คือว่าคนในพี่น้องไม่ใช่ละครไม่ได้ดำสนิทไม่ได้ขาวโก มาถึงขาวบริสุทธิ์เลยคือคนเนี่ยไม่ใช่คนดีก็ดีแบบไม่มีความผิดเลยไอ้คนเลวก็เลวแบบไม่มีสีขาวเลยอันนั้นในละครละครไทยด้วยนะละครประเทศอื่นมันจะมีกลางๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นบางทีคนเลวเนี่ยตัวร้ายเลวหมดเลยพี่น้องนายบียูซุปตอนแรกเนี่ยพี่น้องทำไมเอ่ย เป็นคนเหมือนจะไม่ดีก็คือทําผิดแหละทํำยู่ซุกแบบนู้นแบบนี้แต่ว่าเวลาอ่านเรื่องราวต่อมาเนี่ยเราเห็นว่าเขามีการสํานึกเราเห็นโ่บินสํานึกไม่มีหน้าไปพบพ่ออายที่ไม่สามารถนําบิญญานกลับไปได้เราเห็นว่าในอายัญญนี้อญญายันที่เก้าสิบเจ็ดพี่น้องที่ทําผิดต่อบัตรตรงต่อเลาะแล้วขอพ่อด้วยช่วยอภัยโทษให้กับพวกเราด้วยในสิ่งที่พวกเราทําไปทั้งหมด อ่าอันนี้คนที่มอสีดำตอนแรกๆเนี่ยจริงๆไม่ได้ดําสนิทเป็นสีขาวกลับมาเป็นสีขาวได้ฉะนั้นทําไมเอ่ยคนทําผิดอย่าไปเหยียบเขาการตอบัดระหว่างเขากับอัลลอฮ์ใครจะทราบจังหวะที่เราด่าก็อยู่เนื้อซ้ำก็อยู่เขาตอบัดไปแล้วแล้วอัลลอฮ์ก็ทำไมเ อ, อ่ยต่อพระการตอบัดเขาไปแล้วไม่มีใครทราบเช่นเดียวกันพี่น้องในบียรูซุปอลไรที่าลามถ้าดูในเนื้อเรื่องเนี่ยนะ เหมือนกับเป็นพระเอกขาวตลอดแต่จริ ง, รงๆแล้วเนี่ยในบางช่วงของจังหวะชีวิตน บ, บียูซุฟก็มีความเป็นมนุษย์ไม่ได้ทําผิดนาเช่นจังหวะที่นาสุไลคอเนี่ยทำไมเอ่ยโยโยนน บ, บียูซุฟฮัมมัดบีฮีมีความปรานธนาในตัว น, บ, บ, น, บ, น บ, บียูซุฟก็อ่านบอกนบียูซุฟก็ฮัมมับิฮามีความรู้สึกบางชนิดเกิดขึ้นเหมือนกันไม่ได้เป็นเป็นท่อนไม้ แข็งมาได้มีความรู้สึกมีความรู้สึกเหมือนกันแต่ว่ายับยั้งตัวเองได้มีความเป็นคนพี่น้องไม่ใช่มาเลยกันเช่นเดียวกันตอนเด็พี่น้องมาเนี่ยแล้วนบียูซุบอกมึงจะมีขโมยของพี่น้องบอกว่ามันขี้ขโมยเหมือนกับพี่ของมันนั่นแหละพี่มันก็ขโมยแบบนี้นบียูซุมีความรู้สึกเสียใจมีความโกรธแต่เก็บไว้กุรอานเล่าละเอียดมาก นะเป็นผู้ที่เก็บความรู้สึกไว้ไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกนะมีความรู้สึกฉะนั้นในความเป็นมนุษย์เนี่ยแม้แต่คนที่เป็นนบีเองของบางอย่างเกิดขึ้นนะแต่ว่าจะทำยังไงจะเก็บยังไงในฐานะที่ผมพี่น้องเป็นคนทั่วไปความโกรธเกิดขึ้นได้พี่นอ้องความตองการในสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าเราจะแก้อย่างไง เราจะไม่พูดเรื่องฉันจะเป็นมริระกาฉันจะบริสุทธิ์ฉันจะไม่เคยทําความผิดผิดด้วยกันทั้งนั้นนะคนที่เป็นนบีบางทีเนี่ยเอเลาะยังไม่ได้ทําผิดนะแต่ว่าสะท้อนภาพความเป็นมนุษย์ปัตุชนธรรมาดาออกมาไม่ใช่มริระกาแต่ว่าสุดท้ายอเลาะปกป้องให้คนจากความผิดนะครับพี่น้องทั้งหมดกลับมาที่เนื้อหาในอายะขอตอนบียักุขอพะยโทษให้ด้วย ในอายะที่98นบียากูกล่าวว่าก็และเขากล่าวว่าทำไมเอ่ยเซาฟะอัสตักฟิรุลกุมรอบบีฉันจะขออภัยโทษจากอัลลอฮ์จากพระเจ้าของฉันเนี่ยให้แก่พวกท่านอินนหูละฟูรอฮีมพระองค์นั้นเป็นผู้ที่อภัยโทษยิ่งแล้วก็เมตตายิง่งประเด็นก็คือว่าทำไมนะอันกูอ่านนี่คาว่าเซาฟ่า โซฟาไปว่าจะไม่ได้จะธรรมดานะจะแบบไกลเลยนะไม่ใช่อีกสองนาทีจะทําอีกห้านาทีจะทจําจะเนี่เป็นโซฟาคือมีช่วงระยะเวลานานขนาดไหนว่ะรออะลำคำถามก็คือเวลานักวิชาการอ่านมาถึงประเด็นนี้ก็มีคําถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมนบียะกรุ๊ไม่ขอพยโทษให้กับลูกเลยจะทําไมต้องจะด้วยทําไมต้องเปลวิงเวลาไว้อันนี้ก็เป็นประเด็น นะครับนักวิชา ก, การเช่นเทมนโนบาสนะน้าเทมโนบาสนี่อธิบายดรซิด น, นะครับบอกว่าประวิงเวลาไว้จนถึงช่วงเวลาที่อลัลลอฮฺจะตอบรับดวอา แต่ละวันเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่อลัลลอฮ์ตอบรับดวงอาเนี่ยไม่เหมือนกันต่างกันไปนะครับนักวิชาการบางคนมองว่าปะวิงไว้จนถึงช่วงระยะเวลาสุดท้ายของวันศุกร์ชั่วโมงสุดท้ายช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่อลัลลอฮ์ตอบรับดวงอามากที่สุดนบียะกรปวิงเวลาไว้ถึงจังหวะตรงนั้นแล้วก็ขอไปถวายกับลกูกนะเป็นความเห็นของท่านอินอบบมรุบบัสมาละโคอันด้วยอันนี้เราไปฟังแป๊บหนึ่งคือตั้งี่อิมรุบบัสเนี่ย อิโนะบัสได้รับการยกย่องมากว่าเป็นผู้ที่เข้าใจก้ออ่านตับซีอิโนบัสเนี่ยถือว่ามีถูกคนอ้างอิงเยอะในขนาดเดียวกันก็สายรายงานที่เกี่ยวกับตับซีขอิโนะบัสก็ถูกคนปลอมแปลงเยอะเช่นเดียวกันเวลาพูดตับซีอิโนะบัสเนี่ยอิโนะบัสเนี่ยเด่นมากเลยตับซีแต่ว่าสายรายงานที่มีเนี่ยมันเชื่อถือได้ไหมเพราะมีคนปลอมเยอะพอคนปลอมจะทําให้น่าเชื่อถือทํำยังไงก็โยมให้อิโนบัส ปัญาประมาณมาตําสิบหน่วยบาสเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันปัญหามาเจ็ดหน่วยบาสนะปัญหาคือสายรายงานแต่ว่าสายรายงานนี้เนี่ยวเวลาตรวจสอบก็ามาักกลัวอันถึงแต่หน่วยบาสเชื่อได้นี่คือทัศนะที่หนึ่งพราะวาไมนบียะกุ ป, ประวิงเวลาไว้ในทัศนะที่สองเนี่ยนะครับนับตําสิปัญรณอธิบายว่าต้องการที่จะให้ลูกสานึกตัว คือจะขอไพยโทษให้เลยลูกจะไม่ทบทวนตัวเองไม่สำนึกในความผิดแล้วก็บาปฉะนั้นมีฮิกมาปราวิงเวลาไว้เดี๋ยวจะขอไพยโทษให้เดี๋ยวจะทำให้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ให้ลูกที่เหลือทบทวนสำนึกในความผิดทำไมละ่ะเพราะหวังว่าอนาคตจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่ทำให้เลยเป็นการสั่งสอนแบบจะแบบนั้นก็แล้วแต่ว่าเราอะหล่ า, านะ นี่ยมีการตีความจากคําวจาะทําไมไม่อภัยโทษให้เลยไม่ขอใเลยนี่ฮิกมากเป็นแบบนี้นบียะกุบบอกว่าอินนหูหัวรอฟุฮะมพระเจ้ารอบบีพระเจ้าของฉันพระเจ้าของท่านเนี่ยทาไมละ่ะเป็นผู้ที่อภัยยิ่งเป็นผู้ที่เมตตายิ่งนะครับนบียะกุบเป็นคนที่ เขาเรียกว่าผูกพันธ์กับอัลลอฮ์เป็นนบีผูกพันธ์กับอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่ว่าเป็นคนหนึ่งเป็นบุคคลในกุรอานนะที่พูดถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์มากผมไม่เคยมานับจริงจังว่าใครพูดถึงอัลลอฮ์ด้วยกับรฮรอมีมก็ฟูดอะไรนะี่มากที่สุดไม่ได้มานับแต่เท่าที่สังเกตนบียะกุูพูดถึงอัลลอฮ์ในลักษณะต่างๆมากเพราะทําไมล่ะในชีวิตถูกทดสอบหลายบทบาทเป็นนบี เป็นพ่อที่สูญเสียลูกเป็นพ่อที่กำลังจะให้อภัยลูกเป็นพ่อที่ได้ครอบครัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงกะว่าของชีวิตพี่น้องในภาพดูคนแก่คนหนึ่งสูญเสียลูกอยู่กับความเสียใจลูกก็ไม่เข้าใจยังบอกวันเนี้ยที่อยู่ทุกวันนี้เนี่ยยังหลงอยู่เลยเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาทำไมไม่ลืมสักทีฉะนั้นสิ่งที่นายิญจบุปลือก็คือ อ, อัลล ขอดุอาต่อร่อมีความหวังต่อร่อกผูกพันกับพระผู้เป็นเจ้ามากณเวลาพูดถึงร่พูดถึงหลายลักษณะามากนะครับในอายันนี้พูดถึงสองลักษณะก็ฟุมเฟืออภัยโทษยิ่งแล้วก็เมตตายิ่งด้วยกับสองลักษณะ น, นี้ทาไมเอ่ยเดี๋ยวฉันจะขออภัยโทษให้กับพวกท่านตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันพี่น้องเวลาที่พี่น้องต่อบาสเนี่ย ความผิดธรรมาเยอะผมกับพี่น้องทุกคนมีความผิดหมดแหละบางคนความผิดธรรมนีเยอะบางคนกันหนักจนกระทั่งอายที่จะพูดออกมาความผิดธรรมอ่ะนะไม่ต้องมาคุยอวดกันอยู่ในใจเวลาจะเตาบัตรเนะี่ยพี่น้องต้องนึกถึงคุณลักษณะของลอร์กับพันนามของละร์ถ้าลอร์คือเราพูดเป็นผู้ที่อภัยโทษยิ่งพี่น้องเรากล้าตาบัตรเพราะมีกําลังใจลอลาอร์เป็นแบบนี้ นี่ปานามขอรอดนะใครโกรธไม่หายใครเคืองไม่หายใครจําแค้นไม่คลายแต่อัลลอฮฺไม่ใช่อัลลอฮฺเป็นผู้ที่อภัยโทษยิ่งภาษาไทยอภัยโทษยิ่งหมายความว่าคนที่ให้อภัยคนที่ใจกว้างทั้งหลายเนี่ยถ้ามาเทียบกับอัลลอฮฺเทียบอัลลอฮฺไม่ได้ฉะนั้นเราจะไม่หมดหวังในการตอบัตรเพราะคนที่เราจะตอบัาตด้วยเนี่ยพระเจ้าของเรานั้นเป็นผู้ที่อภัยโทษยิ่ง เช่นเดียวกันกับเป็นอัลฮีมเป็นผู้ที่เมตตายิ่งใครจะใจดีใครจะอ่อนโยนจะเมตตาขนาดไหนก็นแล้วแต่อลัลลอฮ์เมตายิ่งกว่านั่นคืออารลฮีมนี่แหละก็ถึงบอกว่าทําทไมถึงต้องให้ศึกษาพานามและกัคุณลักษณะของอัลลอฮ์มันสร้างความผูดพันกับอัลลอฮ์ใครจะว่าไงก็แล้วแต่แหละแต่พระเจ้าของผมคือบ่าฟูดอภัยโทษยิ่ง ค น, นั้โลกไม่ให้อภัยแต่อล่ออิชาล์ออลอชห้อภัยเรามีกำลังใจในการต่าต้ต่อมาครับอายัที่9กิฟาดัมาดคารูอลลายูซุฟนะเมื่อพวกเขาเข้าไปหายูซุฟเหตุการณ์มันตัดกันนะพอหลังจากที่นบียะกร บ, บอกว่าจะให้อภัยกับจะขอต่อล่อให้ยกโทษให้กับลูกๆเนี่ย มันก็จะมีเหตุการณ์เดินทางไปหายูซุปใช่ไหมแต่ช่วงนั้นก็อ่านข้ามไปตัดเหตุการณ์มาเนที่อายะที่99เนี่ยเจอกันเร็วพี่น้องทั้งหมดพ่อยูซุปมาเจอกันที่อียิปต์อายะที่98สถานที่อยู่ที่เปรัสต้าอยู่แต่ว่าอายะที่99เหตุการณ์อยู่ที่อียิปตัดเหตุการณ์มานะครับฟัลลามาดคารูอัลายูซุปเมื่อพวกเขา พวกเขาที่ครอบครัวทั้งหมดเลยดาร์รูอัลเยยูซุปเข้าไปหาย nah. ูซุปนะอาวาอิเลฮีอับบาไวฮียูซุปได้เข้าไปก่อนพ่อกับแม่ของเขาอับบุนวาพ่ออับบาไพ่อทั้งสองก็คือพ่อแล้วก็แม่นะ nah. ตรงนี้ก็มีคำถามอีกพ่อน่นคือนาบิยากุบชัวแม่น่นคือใคร พอนบียักกุมนมีพายาสี่คนมีราฮีลนาเป็นแม่นบียูซุฟคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นเป็นแม่ไหนหลายทศนะทศนะที่คนพูดมากที่สุดก็คือไม่ใช่แม่แท้ๆของนบียูซุฟแล้วเพราะราฮีลหรือว่าราเชลที่แม่ของนบียูซุฟจริงๆเนี่ยเสียชีวิตหลังจากขอดิญยามินไม่งงนะนบียูซุ ะละพี่น้อง12คน11คนเนี่ยถนับว่าอูซุบเดือก12คนเนี่ยสี่แม่แต่ว่าที่ว่าแม่เดียวกับียูซุบมีแค่คนเดียวคือบินเยมีนราคินหลังยูซุบจะเป็นพี่ในแม่เนี่ยนะพอคลอดยูซุบเสร็จแล้วจะนั้นคลอดบินเยมีนแล้วก็เสียชีวิตในการคลอดบินเยมีนคนที่เลี้ยงดูที่เหลือก็จะเป็น เป็นแคเป็นป้าเป็นที่สาวของแม่นบิยูซุปซึ่งแต่งงานกับดบิยักู้มเหมือนกันเอ้าประมาณนี้นะครับเนื้อหาประมาณนี้ในสมัยก่อนเขาไม่ได้ห้ามนะครับว่าแต่งปี่แต่งน้องสมัยนี้ไม่ได้นะเป็นพญาเทคัวาไม่ได้สมัยก่อนทําได้บางคนก็บอกว่าแม่คนที่เสียชีวิตก่อนนัดแต่งอีกคนหนึ่งก็วันราออะลังนะขณะนี้อัปวัยที่ยูซุปลงมาสวมกอดพ่อสมก่อนแม่ ฉากนี้นะพี่น้องประทับใจถ้าพี่น้องนึกเป็นภาพอ่ะพ่อแม่หายไปนานเลยตแต่เด็กยูซุเป็นเด็กนาตอนถูกทิ้งในบอ่ออยู่ในบอ่อมืดๆคิดดูพี่น้องถูกขายเป็นทาสมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับได้รับคนเลี้ยงดูแล้วก็ถูกแผนการอะไรแบบเนี้ยติดคุกนะแล้วก็คิดถึงครอบครัวแม่วันหนึ่งนบีนซุกจะประสบความสําเร็จในชีวิต เป็นผู้คุมคลังอียิปต์เนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วรองจักรกศักดิ์เนี่ยนายบิยูซุปนี่แหละคุมคลังและช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนไม่มีสเสบียงถือว่ามีบทบาทไม่ใช่เฉพาะในอียิปนาะคนทุกสารทิศ ต, ต้องมาที่อียิปมาขอสเสบียงนายบิยูซุปถ้าเป็นหน้าทีการงานเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตมากแต่สิ่งหนึ่งที่หายไปคือครอบครัวเหงา นึกภาพคนที่ประ ส, ขขสบความสำเร็จต่างอยู่ต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าครอบครัวไม่เจอเงาฉะนั้นนบิวุธทำไมถึงเก็บบิญญามินไว้กับตัวคิดถึงน้องยีสิบกว่าปีเขาตีกันเนี่ยสาิบปียีิบปีกันแล้วแต่คิดถึงน้องบิญญามินมาแล้วนบีวสุไม่ไม่ปล่อยไปเก็บไว้กับตัวถึงแก้งยัดของกลางให้บิญญามินลู ก, กันนาะพี่น้องนี่เป็นขโมยไปไหนไม่ได้ต้องอยู่กับฉันพ่อคิดถึงน้อง ไม่ใช่จะแก้งพี่น้องที่เหลือไม่ใช่แก่แค้นแต่พอคิดถึงน้องอยากจะเก็บไว้กับตัวแล้ววันนี้คนที่คิดถึงอีสองคนพ่อกับแม่ก็กลับมาเจออาวาอิระฮิอัปวัยสวมกอดพ่อแม่ลูกในพี่น้องโตขนาดไหนก็จะเป็นลูกอยู่เวลาเจอพ่อแม่ยังเป็นเด็กอยู่มากอดพ่อกับแม่หัวกอดและและก็กล่าวว่า อุดรคุโมสรให้เข้ามาในเนี่ยในเมืองนี้ในอียิปเนี่ยอินชาอัลลอฮ์อูอามีนีนให้มาอาศัยที่นี่เธอพวกท่านจะอยู่ด้วยความปลอดภัยแปลว่าวันนี้ในไหนกันมากันหมดแล้วทั้งผี่น้องทั้งพ่อแม่ไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ที่นี่อยู่อียิปกับฉันอยู่ด้วยความปลอดภัยอามีนีนนะครับปลอดภัยนะ น บ, บิยูซุฟสามารถรับประกันได้เพราะตำแหน่งในตอนนี้มั่นคงมากน บ, บิยูซุฟสำคัญที่สุดเลยแหละนะสำคัญทีสุดฉะนั้นมีความสามารถจะรับประกันความปลอดภัยสามารถมานีมาอยู่ฉันแล้วฉันเลีเล้ยงดูได้มีที่อยู่อาศัยให้มีสบียให้และก็ปลอดภัยไม่มีใครทำอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าด้วยกับมารยาทของน บ, บิยูซุ การันตีได้รับประกันได้เพราะใหญ่พอเนี่ยแต่ว่ามีคําว่าอินชาอัลลอฮฺเห็นไหมใหญ่แล้วไม่ได้ลืมถ้าอาลัลลอฮฺทรงประสงค์ทั้งๆที่โดยอานาจนะทําได้รับประกันความปลอดภัยได้แต่ว่ามีคําว่าอินชาอัลลอฮฺถ้าอาลัลลอฮฺทรงประสงค์ไม่ได้ลืมตัวเองคนที่ประสบความสําเบจในชีวิตนะถ้าไปถึงในบิยูซุปเนี่ยไม่ลืมครอบครัว ไม่ลืมที่จะให้อภัยแล้วก็ไม่ลืมว่าผู้เป็นเจ้าหาได้ยากพี่น้องวันหนึ่งถ้าเราประสบความสำเร็จลารวยมากขึ้นอะไรกันแล้วแต่จะเป็นแบบในบียูซุปไหมนะในบียูซุปนี่ไม่ลืมนะครับนชิชอัลล่า อ, อามนินทาไมถึงเชิญครอบครัวมาอยู่ที่อียิปต์หนึ่ง คำว่าครอบครัวสําหรับนบิยุซุไม่ใช่แค่บินเามีนนะอุดุคูลูเนี่ยเชิญทั้งหมดเลยพี่น้องที่เคยทําตัวเองไว้นบิยุซุก็ยังมองอยู่ว่าเป็นคนในครอบครัวแม่แม่เลี้ยงใช่ไหมแม่ที่ไม่ใช่แม่จริงๆเนี่ยเป็นป้าเป็นคนดูแลเนี่ยแม่จะไม่ใช่แม่จริงๆก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวแล้วก็พ่อทั้งหมดคือครอบครัวของฉันคือครอบครัวนบิยุซุ มาอยู่กับฉันเถิดอยู่ด้วยความปลอดภัยนะครับนี่คือลักษณะที่หนึ่งนะนียูซุปมองว่าทั้งหมดคือคนในครอบครัวปเที่สองหน้าตอนนั้นเนี่ยที่ที่อยู่สบายที่สุดคืออียิปต์ซาเบียงเยอยู่ไปได้ตล์กันแต่มาเอาซาเบียงเดี๋ยวหมดก็ต้องมาเอาใหม่เพราะไอ้ความแห้งแรงที่เกิดขึ้นเนี่ย เขาประมาณการนั้นนี่คือปีที่สองอีกห้าปีต่อไปก็ยังแหงแร้งอยู่จะอยู่อย่างนั้นหรอข้าวหมดเดินทางมาเอาทีข้าวหมดเดินทางมาเอาที <c oughs> อยู่กับฉันเลยดีกว่าพ่อก็แก่ชรานะครับพี่น้องก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งจะไปอยู่ที่นั่นทาไมละ่ะมาอยู่ที่นี่กับฉันนะในสมัยนี้เนี่ยมันใชัง่ายนะ จะไปประเทศอื่นจะได้วีซ่าจะอยู่เป็นคนแบบคนประเทศนั้นเนี่ยสมัย น, นี้บางประเทศก็วีซ่าก็ไม่ออกให้นะแต่นบิยุซุบเชิญมาอยู่นะเป็นครอบครัวใหม่ในแผ่นดินใหม่แล้วก็เป็นครอบครัวใหม่นบิยุซุบทาได้เพราะตอนนั้นนบิยูซุบกลายเป็นคนพื้นที่แล้วแต่ก่อนเน่ยมาคนอียิปต์แต่ว่าอยู่อียิปตั้งตั้นเด็กโตมาในสังคม นะแล้วก็มีตําแหน่งหน้าที่ตอนนี้กลายเป็นคนพื้นที่ไปแล้วตอนเป็นสมัยที้ก็ได้สัญชาติไปแล้วแหละแล้วก็เชิญ ญ, ญาตทั้งหมดมาอยู่เรื่องแผ่นดินนี่สําคัญเหมือนกันนะครับอามินีนเทอฮ์ดันแบรดแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือว่าคําว่ามิสรอเนี่ยนะแปลว่าตอนเนี้แปลว่าอียิปต์แต่ความหมายเดิมแปลว่าเมืองอันนี้เป็นข้อสังเกตทางภาษานะ นะครับทำไมถึงเรียกอียิปต์ว่าเมืองเพราะในตอนนั้นเนี่ยอียิปเป็นสังคมเมืองเกือบจะแห่งเดียวที่มีอยู่ที่อื่นเป็นบาดูแปลว่าเป็นชนบทปาเลสไตน์ที่อยู่ก็เป็นชนบทตรงนั้นก็เป็นชนบทตัวนี้ก็เป็นชนบทแต่อียิปมิสราเนี่ยเป็นเมืองคําว่าอียิปหนึ่งเดิมแปลว่าเมืองนะคาว่ามิสราเนี่ยต่อมากลายเป็นประเทศอียิปทำไมถึงแปลแบบนั้นล่ะเพราะอียิปเป็นเมืองมาก่อน โดยเฉพาะถ้าเทียบในสมัยท่านดบียูซุเป็นเมืองที่มีระบบมีการค้างเป็นสังคมที่มีกระทรวงกษัตริย์มีระบบการปกครองเป็นเมืองในขณะที่อื่นเป็นบาลูเป็นชนบทอยู่อันนี้ไม่ใช่ดูถูกคนเมืองคนชนบทไม่ใช่ประเด็นนั้นนะแต่ว่ามาอยู่เมืองนี้กับฉันดีกว่านะครับที่มาคำว่ามิสซร์ที่แปลว่าเมืองแล้วก็แปลว่าประเทศอีกนะต่อมาครับในอายะสุดท้ายในวันนี้อายะที่หนึ่งร้ยอายะนี้ยาวหน่อย หลังจากที่เข้ามาแล้วนึกภาพออกมาพี่น้นองครอบครัวเจอกันนบีซุบลงมาเลยสวมกอดพ่อแม่วิ่งไปกอดเลยแหละนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปไหนอยู่กับฉันฉันดูแลเองทุกคนจะปลอดภัยเลี้ยงดูเองนะครับว่้อาบาวะฮอลันอารชินะแล้วนบียุซุบก็ยกพ่อแม่เนี่ยทำไมเอ่ยไว้บนบัลลังก์ วคารูละหูสุดเจดาอุวาวตรวนี้เนี่ยถ้าพี่น้องแปลตรงตัวนะถ้าดูตามลําดับนะถ้ามองว่าตัวนี้คือลําดับเหตุการณ์ใครสูยุดใครถ้าดูตามอญญายะห์ข้ออ่านยูซุปยกพ่อยกแม่ไว้บนบันลังแล้วกับพวกเขาก็สยุดก็แปลว่ายูซุปกับพี่น้องสยุดพ่อแม่แต่จริงๆไม่ใช่พ่อแม่แล้วกัพี่น้องสยุดยูซุปนักต่ซีิก็เลยบอกว่ า, วาตัวนี้ที่แปลว่าและเนี่ย ไม่ได้แสดงลำดับเหตุการณ์ไม่ได้แปลอย่างนั้นถ้าแปลอย่างนั้นเหตุการณ์ก็จะเป็นอีกเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้เข้ามาแล้วหลังจากนาบีซุบสูมขอพ่อแม่แล้วทําไมเอ่ยทั้งหมดก็สยุตต่อนาบียูซุบพ่อแม่ก็สยุตด้วยไม่จะสยุตแบบอิบาด้านนะสยุตแบบให้เกียรตินะตรงนี้นะเหมือนกันกันกบตอนที่มาลายกาสยุตตอ น, นบีอาดัมที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ย กับพ่อแม่แล้วก็พี่น้องสุญญุตตอนนบียูซุบเป็นสุญญุตรประเภทเดียวกันรฤตักเรียกว่าตักครีมวุฒิคีอาให้เกียรติในสมัยก่อนเนี่ยทำไมเอ่ยการสุญญุตกับสิ่งอื่นที่มัชอาลอนเนี่ยสุญญุตเพื่อให้เกียรติเนี่ยทำไมเป็นสิ่งที่อนุญาตให้ปฏิบัติได้แต่สุญญุตอิบาด้เนี่ไม่ได้นะแต่สมัยนี้เนี่ยในชริอัลบทบัญญัติของท่านอับดุลโมมัตไม่ได้แม้จะให้เกียรติก็ไม่ได้ ก้มต่ำกว่าการรบกวนนี่ไม่ได้แล้วเข้าขายกันตั้งภาคีนะครับฉะนั้นถ้าไปนั่งดูในความเชื่อเก่าๆเนี่ยหรือความเชื่อท้องถิ่นเนี่ยอันไหนที่มีบุญคุณต้องการให้เกียตรติสุยุดคนไทยสมัยก่อนมีคดีดแม่กาบหนังสืออ้าวการหนัง ส, หนงสือทํำชิริกใช่ไหมหนังสือไม่ใช่พระเจ้าแต่ว่าให้เกียรติกาบอา้าวทำไมถึงมีการกาบพ่อกาบแม่ ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่เป็นพระเจ้าแต่ว่าเป็นการสแสดงความเคารพให้เกียรติทานองเนี้ยแล้วก็กาบฉะนั้นเวลาที่มองสังคมที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่สังคมมุสลิมเนี่ยเอ๊ะทำไมเขากาบเราก็จะมายว่าที่เ้ากาบเนี่ยทําไมละ่ะสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าใช่ไหมเป็นชริกใช่ไหมนะจริงๆเนี่ยเบื้องหลังของการกราบการสุูญในความเชื่ออื่นเนี่ยมันมีรายละเอียดมากกว่านั้น แต่ได้มันไม่ได้แหละแต่ว่าเวลามองเนี่ยพยายามมองให้ลึกกว่านั้นในขณะเดียวกันในเขาเรียกว่าในบทบัญญัติของอิสลามเองเนี่ยในบีในนบีก่อนๆเนี่ยการสยุดลักษณะแบบนั้นยังไม่ถูกห้ามตราบใดที่มันได้สยุดเพื่ออิบาดานะยังไม่ถูกห้ามสยุดป ร, ระการอาเกียร์ยังทําได้แต่ว่าลักษณะตรงนี้ถูกยกเลิกไปแล้วในเชีร์อาร์ตันอาบีมุฮัมมัดมันจะคู่กันเลยเวลาถามเนี่ย มารกาทำชีริกใช่ไหมสยุดตอ น, นบีอาดัมเนี่ยมันจะเทียบเคียงกับเหตุการณ์คู่กันตลอดแหละสยุดของมารีกาต่อ น, นบีอาดัมกับสยุดของพี่น้องแล้วก็พ่อแม่ในยูซุปตอนบียูซุ ป, นนซปผิดไหมอ่าประเด็นจะแล้นบียะกุ๊กก็เป็นนบีด้วยเราไปสยุดอีกเอาผิดกันไปกันใหญ่มันจะสยุดแบบอิบาดะแยกให้ออกนะครับฉะนั้นเหตุการณ์สวมก่อนพ่อแม่ ถ้าหมดสุดอยู่ตอนนบียูซุปหลังจากนั้นนบียูซุปก็ยกพ่อแม่ไปนั่งไว้บนบันลังเนี่ยมันจะสลับกันเหตุการณ์ว้าวตัวนี้ว่าเนี่ยว่าคาหูระหูสุดยาดาว่าตัวนี้ไม่ได้สแสดงความหมายลำดับเหตุการณ์นะครับถ้าหมดสูดอยู่นบียูซุปก่อนแล้วนบียูซุปก็ยกพ่อแม่ไว้บนบันลังสูอยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าเมืองเป็นผู้ดูแลกองคลังแต่หลังจากหมดบทบาทตรงนั้นแล้ว เป็นเรื่องของคนในครอบครัวนาย บ, บิยูซุปกระลงมาพ่อกับแม่ยกเข้าไว้บัหลังกก็เป็นการให้เกียรติพ่อแม่ครอบครัวทั้งหมดให้เกียรตินายบิยูซุปในฐานะตําแหน่งการงานนาย บ, บิยูซุปให้เกียรติพ่อแม่ในฐานะคนในครอบครัวเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันอ่านึกภาพออกไหมนะครับนึกภาพออกนะพอบางทีคนรอนมันมีสองกฎบาทนะในหน้าที่การงานางที่ลูกใหญ่กว่าพ่อแม่ นะครับแต่ว่าในครอบครัวเพราะแมใ่ใหญ่กว่าลูกก็เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันอุปกรล่ะหลังจากนั้นก็กล่าวว่านาบิสุปกล่าวว่ายาอาบัติโอ้พ่อจา๋าฮาดาตะวีลุฮุยายะมินกอบลูกก็จะละฮาฮ บ, บีฮักกอนี่แหละคือทำไมเอ่ย การทำนายการตีความความฝันของฉันตั้งแต่สมัยก่อนและพระเจ้าของฉันก็ทำให้มันเป็นจริงโัวก็ผมไม่ตั้งเลยว่าความฝันกลายเป็นจริงความฝันในตอนเด็กใช่ไมดาวสเปดดวงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สุอยู่ต่อฉันวันนี้แหละมันเป็นจริงแล้ว ดวงอาทิตย์คือพ่อดวงจันทร์คือแม่ดาวอีสิบเอ็ดดวงก็คือพี่น้องทั้งสิบเอ็ดคนวันหนึ่งจะมาสอยู่ต่อฉันนี่แหละในวันนี้มันเป็นจริงแล้วเวลาตีความความฝันเนี่ยมันเป็นจริงแล้วบอกกับพ่อตรงนี้แต่ทำไมเอ่ยแสดงความรู้สึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะยี่สิบปีสามสิบปีกันแล้วแต่สิ่งที่เคยคุยกันพ่อลูกนวิวซุปไม่ลืม นบียากรุ๊ก็ไม่ลืมลูกลูกก็ไม่ลืมพ่อคําพูดทิศเนี่ยที่ว่านาบียูซุกเคยเล่าความฝันให้พ่อฟังเนี่ยตอนเปิดซุร่าเขาเลยเนี่ยอยายะต้นๆเลยเนี่ยเป็นคําพูดสมัยตอนเด็กนูน่นแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นสิบสิบปียี่สิบปีวันนี้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับนบียูซุกพูดอีกครั้งนะส่วนมากเวลาคนตั้ซีดจะตั้ซีดว่านี่แหละความฝันเป็นจริงแล้วเราทําให้เป็นจริง แต่อีกแง่มุมหนึ่งที่ไม่ค่อยพูดถึงคือความอบอุ่นของคนในครอบครัวแต่ใครมีลูกนะพี่น้องแล้วลูกโตและวําพูดที่เคยพูดกับลูกลูกยังจําได้นํากลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งอบอุ่นแปลว่าไม่เคยลืมกันทั้งพ่อทั้งลูกพ่อจ๋าสินี้ฉันพูดตอนเด็กๆตอนนี้เนี่ยเอาล้อทําให้เป็นจริงแล้วมันแฝงด้วยความรู้สึกหลายอย่างน่ะของคนในครอบครัวคุยกัน ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ทําให้มันเป็นจริงฉะนั้นความฝันที่นบีสุฟันเนี่ยไม่ใช่อัลลอฮ์สุอัลลาฮไม่ใช่ความฝันด้วยเปลย ไ, ปไลสาระในความฝันมนุษย์ในเราเนี่ยจะมีใช่มาฝั น, นเอา้ากินสุ ก, กี้อยู่แบบไ ป, ไปมาเดินไปตกเขวเอา้าไปขับรถกลายเป็นขีมนม่ม้าฝันแบบอัลลอฮ์สุอัลลามมั่วไปหมดไม่ใช่ความฝันที่มีความหมายเป็นการปลดปล่อยความคิดทางสมองเป็นคนกล า, างสมองแบบหนึง่ง อันเขเรียกว่าอันดอ์สุอัลามฝันมั่วไปหมดนะแต่ว่าความฝันของนบีซุบเป็นส่วนหนึ่งของวาฮีมันเป็นจริงวันนี้มันเป็นจริงความฝันของบรรดาอัมบิยาบรรดาอบีเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของของวาฮีนะอันุยอัซซอดีก็ฝันที่เป็นจริงเป็นส่วนหนึ่งของวาฮีวก็อัซซานาบีนะครับและพระเจ้าของฉันเนี่ยทำไมเอออัซซานาบี ปฏิบัติดีต่อฉันให้สิ่งดีๆกับฉันอิสอัคคอญีมินัสซิญนียังไงล่ะอัลลอฮ์ทำไให้ฉันเนี่ยรอดพ้นจากอัสิญนีแต่ว่าคุกเอาออจะคุกอัลลอฮ์ให้กับฉันนะวายาอาบีกุมมินันบาดอวี แล้วก็นำพวกท่านมาทำไมเอ่ยจากบัต ด, ดาวีจากเขตชนบทตรงข้ามแบบบัต ด, ดาวีกับมิสริชนบทสังคมชนบทกับสังคมเมืองทำไมนบียูซุต้อบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือเอีย้ยซานหนึ่งพูดสองประเด็นนะหนึ่งเอาฉันออกจากคุกสองนำพวกท่านมาหาฉันสิ่งเหล่านี้ น, ะนบียูซุมองว่าเป็นเอีย้ยซาน เป็นสิ่งที่ Allah ให้กับนบียูซุฟความดีที่ Allah ให้กับนบียูซุฟยังไงบ้างการเอาออกจากคุกเม่อเดพ้นจากคุกธรรมดาแต่ยืนยันขืนบราระความบริสุทธิ์ของนบียูซุฟสิ่งที่นบียูซุฟด้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะมีตําแหน่งทุกวันนี้เนี่ยนบียูซุฟไม่ได้มองว่าเป็นเป็นความอะไรกับความดีสูงสุด สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตฉันที่อัลลอฮ์ให้กับฉันมีสองอย่างหนึ่งเอาฉันออกจากคุกทําให้ฉันบริสุทธิ์ไม่ได้บอกกันนะว่าเนี่ยอัลลอฮ์ให้สิ่งดีๆกับฉันโดยการทําให้ฉันเป็นผู้ดูแลกองคังในสายตานาร์วิซุปสิ่งนั้นมันจะสําคัญที่สุดสําคัญที่สุดคือหนึ่งฉันบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของนบี์ซุปแปลว่านบีซุปไม่เคยทรยศอซจีษ คนที่เลี้ยงดูดูแลนบีซุปทาดีกับนบีซุปตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้ทรยศไม่ได้โกงไม่ได้มีชู้ต่อเมีย เ, เขานี่คือสิ่งที่นบีซุปสนใจให้ความสําคัญมีน้ําหนักในใจนบีซุปมากคือฉันบริสุทธิ์พ้นจากคุกตอนที่พ้นเนี่ยไม่ได้ออกมาเดือกระเส้นนากษัตริย์จะเอานาบีซุปไปช่วยงานแล้วก็อภัยโทษให้ไม่ใช่นะออกเพราะบริสุทธิ์นบีซุปเรียกร้องให้มีการฟื้นคดีสอบสวนผู้หญิงในเมืองใหม่ทั้งหมด ว่าทำไมฉันติดคุกจนกระทั่งบุหีเนี่เมืองยืนยันสุไลคอเองที่เป็นโจดเนี่ย <c oughs> เอามาบอกเองว่าฉันอยู่ก็เองนี่คือสิ่งที่นบีซุบไห่ความสำคัญฉันโดยสุดไม่ได้มีชู้กับเมียของคนที่ดูแลฉันและกะดีกับฉันคืออาซิสคอนก่อนสิ่งที่มีน้ําหนักเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่ที่ร้อยให้กับฉันประการที่สองคือวายอาบิกุมมินั่นบัตดวี เอาพวกท่านมาหาฉันแปลว่าในใจในบีซุกครอบครัวมีน้ำหนักมากสำคัญมากนี่แหละคือเอื้ซานที่เอลอให้กับฉันสองอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดคือฉันเบริสุดและครอบครัวได้กลับมาอยู่กับฉันมินบะดีหลังจากที่ทำไมเอยอันนัะก็ใช้ตอนนูไบนี ว, านว่าบนั่นไอ้วารีหลังจากที่ ชัยตอนนั้นทำการล่อลวงยุเย่นัสยาโกทำให้หลงเขาเรียกนัสยาโกแปลว่าทำให้ฟาซานมันเกิดขึ้นในใจชัยตอนทำระหว่างฉันกับพี่น้องของฉันน บ, บีอิสพูดแบบนี้แปลว่าที่พี่น้องทำมาทั้งหมดเนี่ยชัยตอนเป็นทำเป็นสํานวนแปลว่าฉันไม่ได้โทษพี่น้องแล้ว ให้อภัยสิ่งที่เกิดขึ้นใช้ตอน ล, อล่อลั่วอินนรับบีลัตีฟุนบีมามายาชาอ ล, ล่อเป็นผู้ที่ลัตีฟิฟละตติฟในที่นี้เนี่ยภาษาไทยในนี้แปลว่าปวดตา น, นแต่ละติฟเนี้จริงความหมายคืออ่อนโยนนี่ก็เป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งของ ล, ล่อเหมือนกันลิมายาชาถ้าพระองค์ทรงประสงค์เนี่ยโ อ, อ ล, ล่อดูแลเหตุการณ์ทั้งหมด ทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดมันมาจบแบบนี้ได้พี่น้องอลอสละติฟอลอสละเอียดอ่อนอ่อนโยนและก็สนใจต่อความรู้สึกของบ่าวไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีใครแฝงทั้งหมดลาติฟแบบนี้พี่น้องนึกภาพดูเด็กคนหนึ่งถูกพี่น้องโยนลงในบอ่อพ่อคนหนึ่งที่เสียใจลูกหายไปต้องหาาจุดตาเสียเนี่ยจะจบยังไงให้ดีจบยากนะจบยังไงให้ดี จบแบบที่นยบิยูซุปเป็นเนี่ยอัลลอฮฺละตีฟพ่อก็ได้ลูกคืนมายูซุปก็ได้พี่น้องครอบครัวคืนมาพี่น้องทั้งหมดก็ได้รับการให้อภัยละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของบ่าวเนี่ยละตีฟุนที่แปลว่าอ่อนโยนเนี่ยนะครับผมก่ไม่รู้จะแปลยังไงแต่ว่าอัลลอฮมีลักษณะแบบนี้ไม่ได้มองว่าในฐานะคนที่มีอานาจเนี่ยนะครับจะเปรียบเทียบนาะในฐานะคนที่มีอำนาจ ไม่ต้องใหญ่เราเป็นน้องแค่หัวหน้าบริษัทบอสในบริษัทเนี่ยบางทีก็ไม่สนใจความรู้สึกลุกน้องทำงานไม่เสร็จไม่ต้องกลับไม่ได้มองต่อไปว่าบ้านเขาก็มีลูกมีเมียเขารออยู่นึกออกไหมเมียเขาใครจะไปรับลูกเขาใครจะสอนการบ้านกลับไปดึกลูกก็หลับแล้วเขามาเด็กอ่อนลูกมาเด็กคุยกับลูกตอนเช้าก็ลูกไปทันตื่นมาทํางานแล้วถามว่าคนที่มีอํานาจใครบ้านจะระทีปขนาดนี้ เวลาจะแก้ปัญหาในวันที่สั่งเหมือนไม่ใช่คนสั่งแบบโน้นแบบนี้ไม่ได้มองความรู้สึกแต่ว่าอารล็อดเนี่ยใหญ่กว่าบอสในบริษัทอีกเป็นพระเจ้าของสากลละโลกแต่ละตีฟุ่นละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของบ่าวนี่คําว่าละตีสุดท้ายตัวละครทั้งหมดในเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องในเรื่องในบียูทูบเนี่ยตัวละครไม่ได้แปลวันนี้คือละครนะนี่คือเรื่องจริงไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรตัวละครในในเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ย ได้รับการเติมเต็มในจิตใจอัลลอฮ์ให้ทางออกหมดเลยสุไลคอเนี่ยตอนจบยอมรับผิดนึกออกไหมพี่น้องได้รับการให้อภัยได้ไยุซุให้อภัยทุกคนได้รับการเติมเต็มในหัวใจหมดเลยพี่นอ้องอัลลอฮ์ละตีฟละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของบาง่าวให้จบแบบนี้ถือว่าจบดีดีสุดแล้ว นะฉะนั้นนบีเนี่ ย, ยซุลเนี่ยเป็นอัชแนนกัสซัเป็นเรื่องเล่าที่ดีที่สุดจบแบบที่ว่าทุกคนมีความสุขได้รับการเติมเต็มในหัวใจริมายาชาในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อินนอ้วนอาลีมุนฮากีมนอกจากนี้นะนอกจากลติลเซลอาล อ, อ่ะยเป็น อ, ลอาลีมอาลอ่ะเป็นผู้ที่ทราบทั้งหมดแผนการที่เกิดขึ้นทั้งหมดอาลอ่ะสามารถทราบในเรื่องนี้มันมีหลายแผนมีน้อง แผนที่พี่น้องทํากับนบียูซุปเป็นแผนนะเหมือนจะใครจะไม่ทราบแต่อัลลอฮฺอาลี อ, อัอลลอฮฺทราบแผนที่สุลคอทํากับยูซุปเหมือนคนอื่นไม่ทราบนะแต่อลัลลอฮฺทราบสุดท้ายคนที่รู้ดีทั้งหมดภายหลังแผนการทั้งหมดคืออลัลลอฮฺแล้วก็ให้ทางออกในเรื่องนี้มันมีปริศนาเยอะหนึ่งแผนการสองมันมีปริศนาในเรื่องเช่นความฝันของกษัตริย์เนี่ย พอฝันมาแล้วคนงงกันหมดงวงกินงัวเนี่ยพี่น้องแปลว่าอะไรงวกินงัวแล้วมาเชยตัวใหญ่กินตัวเล็กนาไอตัวเล็กกินตัวใหญ่ตัวผอมกินตัวอ้วนงวงกินงัวเอ่ออะไรคืองวกินมันมีปริศนาในเรื่องอัลลอีมอัลลอฮ์ทราบดีททุกอย่างแล้วก็สอนนบียูซุฟให้ทำนายฝันนึกออกมานบียูซุฟอยู่ในคุกคนลืมไม่หมดแล้ว ขณะเพื่อนตัวเองติดคุกสองคนมีเพื่อนสองคนนบีอูซุฟใช่ไหมแล้วก็ทำนายฝันให้ไอคนนึงถูกประหารนบีอซุฟก็บอกอีกคน น, งาา น, บบค น, นึงจะได้กลับไปสู่ตาแหน่งเดิมการชี้กับกษัตริย์เป็นคนลิ้นเล่าให้กษัตริย์อย่าลืมฉันนาไปบอกกษัตริย์ด้วยว่าฉันอยู่ในคุกไอกคนนั้นลืมผ่านมาตั้งกี่ปีก็ไม่รู้จนกระทั่งกษัตริย์ฝันแล้วก็นึกออกเฮ้ยมีคนในคุกคนนึงเคยทํานายฝันให้ฉันน่าจะทํานายได้นี่นบียูซุฟถึงจะได้ออกมีคนลืม แต่อัลลอฮฺอาลีมอัลลอฮฺรู้นึกออกไหมเมื่อหลังเหตุการณ์ทุกอย่างที่มนุษย์ทำเนี่ยเหมือนจะซับซ้อนส่อนเงืนแต่ว่าอ al ัลลอฮฺอันอาลีมอัลลอฮฺเป็นผู้ทีหลอกรู้แล้วความพูดต่างๆเนี่ยจะมอ้อใครใครพี่น้องกลับมาเนี่ยไม่ทราบว่าเอาข่าวดีมาให้พ่อเอากลินของอบดยุสุฟมาให้พ่อพี่น้องที่ไปเจอนบดยุซุฟไม่ทราบแต่ว่าอ al ัลลอฮฺทราบอัลลอฮฺให้นบียากรู้ว่าข่าวดีมาแล้วนาาเนี่ยอายะห์ที่เก้าสิบหกเนี่ย ฉันทราบชะอัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกท่านไม่ทราบเห็นไหมอันอาลีมสุดท้ายคืออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ประสง์ให้ใครอัลลอฮ์ก็ใจความรู้กับเขานะครับฉะนั้นถ้าผู้ที่ทําไมล่ะผู้ที่ศึกษาความรู้เนี่ยทําไมคาร์ฟอกุลีอาลีมินเนือทุกๆอาเลมเนี่ยคืออันอาลีมคืออัลลอฮ์นาคนที่ศึกษาความรู้นะครับนอบน้อม และอัลลอฮอัลอาลีมผู้ที่รู้ดีที่สุดก็จะมอบความรู้ให้กับเขานะครับนอกจากนี้ยังมีอันฮักีมอะไรคืออันฮักีมฮักีมไม่พูดแปลว่าแปลเป็นไทยนะปีชายานฮักีมมาจากคำว่าคุกงตัดสินแบบนั่นตัดสินแบบนี้นะมีฮากีมมีผู้ตัดสินมีศาลแต่ฮักีมตัดสินแบบมีฮิกมา ทั้งฮู ก, กงกับฮิกมาคําำเดียวกันนะในภาษาไทยมันต่างกันตัดสินกันตัดสินฮิกมากกับฮิกมากิกมากคือวิทยาปัญญาความดีที่ซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันแต่ในภาษาอังกฤษรากศัพท์คำคำเดียวกันฮากรามมีมอลอตัดสินอย่างเขาเรียกว่าคํานึงถึงสิ่งต่างต่างรอบข้างอย่างดีที่สุดสุดท้ายตัดสินในเรื่องนี้ดําเนินและกระจบแบบนี้ ทั้งลาตีนทั้งอาลีมทั้งฮาคิมหล่านี้คือคุณลักษณะขอรอดทั้งหมดเลยจริงๆวันนี้เราได้เยอะนะครับได้รอฟูดได้รอฮีมคุณลักษณะขอรอดเนี่ยเวลาแปลเป็นภาษาไทยเวลาแปลมากระท่านั้นอนะอภัยโทษยิ่งเมตตายิ่งคือภาษาไทยเราก็เข้าใจแต่ถ้าอยากให้ซึ้งพี่น้องต้องดูประกอบเรื่องราววันนี้คําว่ากอฟูดเนี่ยแปลว่าอภัยโทษยิ่ง ถ้าแปลเท่านั้นนะอาภัยโทษยิ่งเขาอย่างไงแต่ถ้ามองประกอบเรื่องราวอาภัยโทษยิ่งแม้กระทั่งพี่น้องที่ทำผิดเมา่กี่กี่สิบปีแต่สุดท้ายอัลลอฮฺจะให้อภัยพอมองประกอบเรื่องราวเราจะทราบซึ้งในความหมายของพระนามของอัลลอมากขึ้นเนี่ยคำว่าละติอัลลอไม่กู้ที่อ่อนโยน แปลพอแปลแล้วอ่อนโยนก็คืออ่อนโยนก็เข้าใจอ่อนโยนสบู่ก็ออนโยนแชมพูออนโยนก็มีแล้วอัลลอฮ์ออนโยนยังไงแต่ถ้ามองประกอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะเข้าใจว่าทำไมอัลลอฮ์ละตีเพราะสนใจทุกรายละเอียดในความรู้สึกของบ่าวให้มันจบแบบนี้นะครับอาริมเห็นไหมพออาริมอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ยิ่ง เด็กกระท่องเราก็ท่องแล้วมันยังไงถ้าอยากจะทราบซึ้งพี่น้องเวลาเจออ่น า, อานกะ็อ่านนะและเจอลักษณะอลอเลาะเนี่ยพระนามและคุณลักษณะองอเลาะหักทิมก็ฟูดรอทิมเตวับแบบเนี่ยพี่น้องก็อ่านย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะทราบซึ้งในคุณลักษณะคลอเลาะมา ก, กขึ้นนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับนะก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ลลหลระหว่างบ่าวกับล้อ เราใครคือพระเจ้าอาลัลลอฮ์คือพระเจ้าแ ล, าล้วอัลลอฮ์เป็นยังไงลักษณะรูปร่างเนั่ยไปไม่ถึงแต่เราทราบว่าอาลัลลอฮ์มีลักษณะแบบนี้เมตตาอ่ อ, อนโยนปานีผูกพันกับพระเจ้าด้วยกับคุณลักษณะไม่ต่อไปคุยกันเรื่องจะเป็นหน้าตาแบบไหนอะไรยังไงนะครับผูกพันกับอัลลอฮ์้วยกับคุณลักษณะที่ถูกบอกไปเองในในอายะกราฮ์ชุนท้ายของเวลาครับวันนี้แท้ท้ายแล้วของซุลต์ยูซุฟนะครับ เหตุการณ์ในวันนี้มาถึงตอนจะเฉลยแล้วสุดท้ายคนที่ให้ข้าวให้สะเบียนคือยูซุปพี่น้องที่เราเคยทำผิดแล้วก็หายไปนานพ่อได้หลูกคืนยูซุปนายบิยูซุปได้ขอบครัวคืนอะไรละพี่น้องได้รับกันอภัยโทษแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนายบิยูซุปไม่มีอะไรเลยที่ทอ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่จะแก้เค้น จะดา่าจะว่าไม่มีเลยสิ่งที่พูดคําจะคืออะฮันนัสซาันมาอยู่กับฉันมาอยู่กับฉันมันแทนการให้อภัยทั้งหมดมาอยู่กับฉันมาอยู่กับฉันด้วยการยึดที่อีบนะครับคําว่าอะฮันนัสซาฮันเนี่ยอันนี้ผมอกเวลาหนึ่งอะฮันแปลว่าครอบครัวเวลาที่ใครมาหาเราเนี่ยพี่น้องเราบอกอะฮันนัวซาฮันเนี่ยแปลว่า สิ่งที่ท่านจะเจอกับฉันในฐานะเจ้าภาพนะคือความรู้สึกแบบคนในครอบครัวอารันมิตรภาพที่ได้นะ่ะเหมือนกับคนในครอบครัวซารั น, นจริงๆแปลว่าง่ายแต่ว่านิ่มและก็แผ่นดินที่ท่านจะมาอยู่เนี่ยมันจะมีแต่ความง่ายได้คนก็จะดีกับท่านแผ่นดินนี้ก็จะให้ความสะดวกสบายกับท่านเหมือนกับนบีสุบบอกกับพี่น้องแหละคือไม่ต้องพูดเยอะให้อภัยฉันไม่โกรธนะไม่ต้องเครื่องไม่ต้องอะไร แต่บอกว่าอุดรคุลุณมิสราอินชาอัลลอฮฺอามินินอยู่ที่นี่จะปลอดภัยฉันจะไม่แก่แก่จะปลอดภัยทุกอย่างจะได้ความสะดวกสบายนะครับนี่คือสิรตุนเราทำแบบหนึ่งความสัมพันธ์ในเครือญาติทําได้โดยการโดยการให้อภัยวันนี้พี่น้องก็จะมีญาติกันอยู่นะครับอย่าไปเสียใจวันที่เขาละมาดกันแล้วไม่น่าโกรธกันเลยโกรธกันห้าปีเรื่องเล็กน้อยญาติกันแท้ อย่าให้ถึงวันนั้นตัวอย่างนาบียูซุปแก้ปัญหาด้วยการด้วยการให้อภัยนะครับสอบวันนี้บิลลบาตาฟิวันหี่ใดยะอัสสลามุอะลัยกุมวรหัมตุลลอฮิวะบระกาตุ